คนขายปลาก็หน้าตาเหมือนปลาที่ขายคนขายไก่ปากบนก็แหลมยื่นเหนือปากล่างหูตามองดูแล้วก็เหมือนไก่โดยเฉพาะคนขายตะภาพน้ำเวลามีคนสั่งซื้อตะภาพน้ำเพื่อเอาไปทำเป็นอาหารคนขายจะเอามีดสับคอมันแต่ไม่ให้ขาดคอจะห้อยร่องแรงเลือดไหลพุ่งกระฉูดตีนทั้งสี่ถูกสับด้วยมีดเพื่อไม่ให้ตะกุยได้แต่ก็ไม่ให้ขาดออกจากกัน ผมได้เห็นอยู่ทุกครั้งที่ไปตลาดปรากฏต่อมาว่าลูกของคนขายตะภาพน้าเกิดมาพิการขอพับมือและเท้าหักพับหมดเดินกระย่องกระแย่งเห็นล้อถึงกับต้องเบือนหน้าหนีงดซื้อตภาพน้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสิ่งที่ได้เห็นจากการเข้าตลาดสดทุกวันทำให้เกิดความสลดใจและเข้าใจในความพยาบาทของสัตว์ทั้งหลาย ประกอบกับผมได้มีโอกาสรับฟังจากองค์หลวงตาในขณะที่ผมเข้าไปกราบท่านที่โรงน้ำร้อนท่านได้เมตตาให้ผมดูรูปต่างๆที่ท่านเมตตาปล่อยสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สัตว์ใหญ่ไปจนถึงจําพวกหอยขมท่านอธิบายชี้แจงให้ผมทราบถึงอายุไขของสัตว์ทั้งหลายโดยกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราปล่อยให้เขาสิ้นไปตามอายุไขของเขาเองหากเราฆ่าเขาก่อนอายุไข เขาก็มีความเจ็บปวดเขาจะอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมต่อเนื่องจากที่ผมเห็นคนจําพวกนี้มีหน้าตาเหมือนสิ่งที่เขาฆ่าดังเช่นที่ท่านเทศทุกประการอายุผมมากขึ้นทุกวันสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นมาในชีวิตทําให้ผมเกิดความกลัวแม้เพียงแค่จะคิดก็กลัวแต่ก็มีบ้างบางครั้ง ที่ยังถูกยั่วยุด้วยสัมผัสทั้งห้าจนทำให้จิตใจผมแตกกระเจิงแต่พอนึกถึงลวงตาเท่านั้นจิตที่เกิดการปรุงแต่งจากกิเลสตัณหาก็สลายหายไปหมดแม้กระทั่งในความฝันก็ยังต้องาวาสะดุ้งตื่นหนีจากความฝันเพราะลวงตาท่านมาเตือนสติ